ภิกษุจัดการสำเร็จและบอกคลาดเคลื่อน339ภิกษุไปจัดการสำเร็จกลับมาบอกคลาดเคลื่อนต้องอบัติทุนละใจภิกษุไปบอกคลาดเคลื่อนกลับมาบอกจัดการสำเร็จต้องอบัติทุนละใจภิกษุไปจัดการสำเร็จกลับมาบอกจัดการสำเร็จต้องอบัติสังฆาทิเศษภิกษุไปบอกคลาดเคลื่อนกลับมาบอกคลาดเคลื่อนไม่ต้องอบัติ